ันนี้จะขอพูดเรื่องอัตตาหิอัตโนนาโตตนเป็นที่พึ่งของตนคำว่าตนนี้คือใครตนนี้ก็คือใจไม่ใช่ร่างกายใจเป็นที่พึ่งของใจพระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่า ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถเป็นที่พึ่งของใจได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวนั่นเองเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เรามาพึ่งใจที่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาใจของเรานี้ไม่มีวันตาย ไม่มีวันจากเราไปใจของเรานี่จะเป็นผู้ที่จะให้ความสุขกับเราไปตลอดถ้าเรารู้จักวิธีทำใจให้เป็นสุขได้ตอนนี้พวกเราไม่รู้จักวิธีทำใจให้เป็นสุขกันเราเลยต้องมาพึ่งคนที่รู้จักวิธี ทำใจให้เป็นสุขนั่นเองคนที่รู้จักทำใจให้เป็นสุขก็คือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวุทั้งหลายเราเลยต้องมาพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนเพราะว่าเรายังพึ่งตนเองไม่ได้เรายังไม่รู้จักวิธีทำใจของเราให้มีความสุข เพื่อเราจะได้พึ่งความสุขของใจเราจึงต้องไปพึ่งคนที่รู้จักวิธีทำใจให้เป็นสุขเมื่อเราไปศึกษาไปขอความรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้รู้วิธีทำใจให้เป็นสุขพอเราทำใจให้เป็นสุขได้ เราก็จะเป็นที่พึ่งของตนเองได้แต่ในเบื้องต้นเราต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนเพราะถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้เราจะไม่มีวันรู้วิธีที่จะทําใจของเราให้มีความสุขได้ที่จะทําใจให้เป็นที่พึ่งของใจได้ ถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในโลกนี้เราก็จะไปพึ่งสิ่งต่างๆอย่างที่พวกเราทํากันอยู่ในขณะนี้การที่เรามาเกิดในโลกนี้ก็เพราะเรามาพึ่งร่างกายเราอาศัยร่างกายใช้เป็นเครื่องมือ หาความสุขให้กับเราเร่างกายก็จะไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิก่นรสผลถ้าชนิดต่างๆที่เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเวลาที่ความสุขชั่วคราวนั้นหมดไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ทุกครั้งไป นี่คือวิธีของพวกเราในการหาความสุขกันในการใช้สิ่งต่างๆมาเป็นที่พึ่งให้กับพวกเราเราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมืออันแรกเราต้องมีร่างกายกันเพราะเราต้องการหาความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรสผลพทพะชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้เราที่เป็นใจตอนที่เราไม่มีร่างกายเราก็เป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณที่ล่องลอยคอยรอรับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่ของเราพอเราได้รับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่ของคนใหม่ของเราแล้วเราก็เริ่มใช้ร่างกาย เป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆทันทีใช้ตั้งแต่ตอนที่ออกมาจากท้องแม่ใหม่ๆเลยออกมาเราก็จะร้องเรียกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพ่อแม่ก็ต้องรีบหาสิ่งต่างๆที่จะมาให้ความสุขกับร่างกายเพื่อที่เราจะได้รับความสุขต่อจากร่างกายอีกทอดหนึ่ง ก็คลอดออกมาก็ร้องหิวข้าวหิวน้ำอพอได้ข้าวได้น้ำแล้วก็อยากจะได้เห็นได้ดูได้ฟังพ่อมแม่ก็ต้องคอยหาตุ๊กตาหาของเล่นอะไรต่างๆมาให้เราได้เสพได้สัมผัสทางตาหูจมูกเล่นกายอพอเราโตขึ้นเราก็เริ่มหา ราบยศสัดรเสญกันหาลูกเสียงกลิ่นรสกันเองเพราะเรามีความรู้ความสามารถที่จะไปหาอะไรต่างๆได้เองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพ่อแม่แต่วิธีการของเรานี้มันก็จะต้องจบลงด้วยความทุกข์จบด้วยการพัดพรากจากสิ่งต่างๆ ที่เราหามาเพื่อให้ความสุขกับเราเราก็ต้องจากร่างกายไปเมื่อร่างกายไม่มีลมหายใจและสิ่งต่างๆที่เราหามาได้ผ่านทางร่างกาย <c oughs> <c oughs> คือลาบยศสรรเสริญและความสุขต่างๆจากรูปเสียงกลิ่นรสปุถภาก็จะต้อง สิ้นสุดลงเราก็จะกลายเป็นดวงวิญญาณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ล่องรอยไปรอรับร่างกายอันใหม่และช่วงที่เรารอรับร่างกายอันใหม่ก็เป็นช่วงที่เรารับผ ล, ผ ล, ผลบุญผลบาปที่เราได้ทําไว้ในขณะที่เรามีร่างกาย ในขณะที่เราใช้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆบางเวลาบางโอกาสเราก็ได้ทำบุญกันบางเวลาบางโอกาสเราก็ได้ทำบาปกันบาปและบุญที่เราได้ทำกันมันก็จะสะสมอยู่ในจิตใจของพวกเราพอเวลาเราไม่มีร่างกาย ผลของบุญของบาปก็จะแสดงผลขึ้นมาในรูปแบบของมโนภาพต่างๆไปในใจของเราเช่นตอนที่เรานอนหลับตอนนั้นร่างกายเราก็เหมือนกับคนตายไม่เคลื่อนไหวไม่ทำอะไรตอนนั้นใจของเราก็จะอยู่ภายใต้อํานาจของบุญของบาปที่จะ แสดงผลบุญผลบาปออกมาทางมโนภาพมโนภาพที่เราเห็นตอนที่เรานอนหลับเราก็เรียกว่าฝันแต่ในขณะที่เราฝันนั้นเราไม่รู้ว่าเราฝันกันเราคิดว่าเรากำลังอยู่ในเหตุการณ์จริงๆเหมือนตอนที่เรากำลังอยู่ในขณะนี้เหมือนกันทุกอย่าง เราไม่ได้ลืมตาหลับตาแต่ใจเรานี่เห็นได้ยินเสียงได้สัมผัสกลิ่นรสอะไรต่างๆเหมือนกับตอนที่ร่างกายของเราตื่นตอนที่ร่างกายพาเราไปทำอะไรเหมือนตอนนี้นตอนเรานอนหลับมโนภาพมันจะเป็นเหมือนเหมือนจริงเลยแล้วมันก็จะเป็นมโนภาพ ดีบ้างและไม่ดีบ้างถ้าเป็นมโนภาพที่ดีก็เป็นผลจากบุญที่เราได้สร้างกันไว้ได้ทำกันไว้เพราะช่วงที่เราไปสร้างบุญสร้างกุศลเราจะไปบันทึกมโนภาพที่ที่มีแต่ความสุขให้กับเรารูปเสียงกลิ่นรสผลภิภัณฑ์ต่างๆที่เราสัมผัสช่วงที่เราทำบุญ จะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะทที่ให้ความสุขกับเราในทางตรงกันข้ามเวลาเราไปทำบาปเราก็จะไปบันทึกภาพภาบันทึกรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่ให้ความทุกข์กับเรานี่แหละคือบุญและบาปที่เราทำกันในขณะที่เราตื่น มันก็จะถูกบันทึกไว้เป็นมโนภาพในใจของเราแล้วมันก็จะแสดงผลในช่วงที่ร่างกายเราไม่ทำงานเช่นช่วงที่ร่างกายนอนหลับหรือช่วงที่ร่างกายตายไม่หายใจแล้วมโนภาพต่างๆที่เราได้สร้างไว้มันก็จะแย่งกันปรากฏขึ้นมา แล้วแต่ว่ามโนภาพไหนมีกำลังมากกว่ากันถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญมโนภาพที่ไม่ดีต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาช่วงนั้นเราก็เรียกว่าเรากำลังอยู่ในอบายกันมโนภาพมันจะแสดงให้เราเป็นเปรตบ้างเป็นนสุลกายบ้างให้เราตกทารกบ้างให้เราไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้าง ถ้าบุญมีกำลังมีอำนาจมากกว่าบาปมโนภาพที่ดีมันก็จะปรากฏขึ้นมาในใจทำให้เราได้เป็นเทพได้ไปเสพความสุขบนสวรรค์ชั้นต่างๆนี่คือช่วงที่เราไม่ได้ใช้ร่างกายเช่นนอนดับเมื่อเกินี้บางท่านอาจจะฝันดีก็ได้อาจจะฝันร้ายก็ได้ แต่ช่วงที่ฝันนี่ไม่รู้ไม่รู้ว่าตอนเองกำลังฝันจะรู้ว่าฝันก็ต่อเมื่อได้ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาถึงจะรู้ออกเมื่อกี้นี้เราฝันฝันดีหรือฝันไม่ดีในช่วงที่เราตายก็เหมือนกันก็เป็นเหมือนช่วงที่เรานอนหลับมโนภาพที่ได้จากบุญจากบาปมันก็จะมาปรากฏขึ้นมาในใจของเรา ไปจนกว่าเราจะได้รับร่างกายอันใหม่พอเราได้ร่างกายอันใหม่พอออกจากท้องแม่ขึ้นมาเราก็เหมือนกับคนที่นอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาแต่เราจะตื่นกับร่างกายอันใหม่เพราะร่างกายอันเก่าที่เรานอนหลับไปด้วยนั้นคือร่างกายที่ตายไปแล้วเขาก็เอาไปชาปนากิจแล้ว เลยเอาไปฝังกลายเป็นดินกลายเป็นปุ๋ยไปแล้วนี่คือเรื่องของใจที่ยังไม่มีที่พึ่งของตนยังไม่สามารถพึ่งตนได้ก็เลยต้องไปพึ่งร่างกายใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะต่างๆและในการหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะบางทีเราก็หาด้วยวิธีทําบาปถ้าเราไม่สามารถหาด้วยด้วยวิธีไม่ทําบาปเราก็จะใช้วิธีทําบาปเพราะเวลาเกิดความอยากได้ความสุขแล้วมันจะ ต้องเอาให้ได้ถ้าไม่ได้แล้วมันจะทุกข์มากก็เลยทำทุกวิถีทางถ้าต้องทำบาปก็ก็ทำยกเว้นว่าถ้าเราได้ถูกฝึกฝนอบรมได้รับการสั่งสอนจากผู้รู้ผู้ฉลาดที่ห้ามไม่ให้เราทำบาปกันให้เราถือศีลกัน เราก็อาจจะไม่กล้าทําบาป ก, กันหรือนอกจากว่ามันเป็นความอยากที่รุนแรงจริงๆที่เราต้านไม่ไหวเราก็จะไปทําบาป ก, กันสําหรับคนที่ได้รับการสั่งสอนได้รับการฝึกฝนอบรมการทําบาป ก, ก็อาจจะน้อยอาจจะยาก ว่าคนที่ไม่ได้รับการสั่งสอนไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมนี่คือความแตกต่างของคนเราที่มาเกิดในโลกนี้ทำไมคนบางคนจึงทำบาปกันนักนะทำไมบางคนไม่ค่อยทำบาปกันก็เพราะว่าในอดีตหรือในปัจจุบันได้มาเกิดใน กับสิ่งแวดล้อมที่ดีหรือไม่ดีถ้าเกิดในสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่กับคนฉลาดคนดีเขาก็จะสอนให้เราไม่ให้ทำบาปกันถ้าเราไปอยู่กับคนไม่ดีเขาก็จะสอนให้เราทำบาปพาให้เราทำบาปกัน น, นี่คือเรื่องราวที่ทำให้เราต้องมาเกิด มามีร่างกายแล้วก็มาทำบุญทำบาปเพื่อหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจา ก, กรูปเสียงกิ่นลสพทึภาคกันแล้วก็ต้องมาพบกับความทุกข์ในบั้นปลายของชีวิตอต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตายพบกับการพัดพลาคจากกัน นี่เป็นผลที่เกิดจากการที่เราไม่รู้จักอัตตาหิอัตโนนาโถไม่รู้จักวิธีทําตนให้เป็นที่พึ่งของตนนั้นเองเมืเราจะรู้วิธีนั้นี้ได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเท่านั้นเพราะมีพุทธศาสนาเพียงาศาสนาเดียวเท่านั้น ที่รู้จักวิธีทำใจให้เป็นที่พึ่งของใจได้อย่างสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตคสั่งคําสอนของผู้อื่นของสถาบันการศึกษาอื่นของศาสนาอื่นจะไม่รู้จักวิธีที่จะทำใจให้เป็นที่พึ่ง ให้ความสุขกับใจได้ตลอดเวลาถ้าเราได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาอย่างในยุคนี้ในภพนี้ชาตินี้เราต้องถือว่าเราโชคดีมหาศาลโชคดียิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งร้อยใบเพราะว่าโอกาสที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ และได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้เป็นโอกาสที่นานๆจะเกิดขึ้นทุกครั้งหนึ่งเพราะว่าการเกิดของพระพุทธศาสนานแต่ละครั้งก็เป็นเวลาอันยาวนานมากหลายแสนล้านปีภาษาโบราณท่านเรียกว่ากับเป็นกลับเป็นกันสมัยนี้เราก็ลองใช้คําว่าแสนล้าน ปีมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบล้านปีมันนานขนาดไหนแล้วแสนล้านปีเป็นอย่างไรหรืออาจจะยาวกว่านั้นก็ได้อาจจะล้านแสนล้านปีก็ได้คือเป็นเวลายาวนานมากที่จะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏอยู่บนโลกนี้สักครั้งหนึ่ง แด้อยู่ก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาที่ไม่มีศาสนาไม่มีศาสนาช่วงว่างจากศาสนานี้เป็นแสนล้านปีช่วงมีศาสนานี้แค่แวบเดียวเหมือนเหมือนจุดไม่ขีดแปบ๊บเดียวช่วงศาสนาพุทธของเรานี้พระพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์ว่าจะอยู่ในโลกนี้ได้ประมาณห้าพันปี แล้วการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งก็ไม่ใช่ว่าจะกลับมาได้เกิดได้รวดเดียวเวลาตายไปไม่รู้จะต้องไปใช้บาปใช้บุญอีกนานกี่ร้อยกี่พันปีด้วยกันถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกสักครั้งหนึ่งคราวนี้ถ้าเราตายไปร่างกายตายไปคราวหน้ามาเกิดใหม่อาจจะเกินห้าพันปีแล้วก็ได้ นี่ก็ผ่านมา 2,500 กว่าปีแล้วศาสนาพุทธนี้อยู่กับในโลกนี้เหลืออีกประมาณ 2,500 กว่าปีไม่ถึงด้วยซ้ำไป 2,400 กว่าปีคราวหน้ากลับมาเกิดใหม่อาจจะไม่มีพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้หรืออาจจะมาเกิดในที่ที่ไม่มีศาสนา แม้แต่สมัยนี้คนบางคนก็ไปเกิดในประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับไม่ได้เจอพระพุทธศาสนายกเว้นว่าในยุคนี้มีการเผยแพร่ข่าวสารกันอย่างกว้างขวา ง, วางถึงแม้ว่าจะไปเกิดในประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็มีคําสอนไปปรากฏขึ้นมาตามสื่อต่างๆแล้วก็คนที่ได้ เสพได้อ่านหนังสือได้เรียนรู้วคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สำหรับบางคนก็เกิดศรัทธาขึ้นมาเกิดเห็นคุณค่ามหาศาลของคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นคุณค่าของคำว่าอัตตาหอัตโนนาโถก็ถึงกับข้ามน้ำข้ามทะเลกันมา ศึกษามาปฏิบัติเพื่อสร้างความสุขให้กับใจในประเทศที่มีการศึกษาการปฏิบัติในบรรดาประเทศที่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกขณะนี้ไม่มีประเทศไหนที่จะพร้อมเท่ากับประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยนี้เป็นประเทศที่พร้อมที่จะสนับสนุนผู้ที่ต้องการจะศึกษา ผู้ที่ต้องการจะปฏิบัติเพื่อสร้างความสุขให้เกิดขึ้นภายในใจให้ใจเป็นที่พึ่งของใจได้เมื่อเปรียบเทียบดูกับประเทศต่างๆแล้วประเทศไทยนี้จะพร้อมกว่าหลายด้านด้วยกันพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนที่มีศรัทธาในพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์พร้อมที่จะสนับสนุน ผู้ที่มาศึกษามาปฏิบัติด้วยปัจจัยสี่ด้วยอาหารบิณฑบาตด้วยจีวรเครื่องนุ่งห่มด้วยที่อยู่อาศัยกุฏิศาลาด้วยที่ด้วยยารักษาโรคพร้อมเพียงผู้ที่มาศึกษาปฏิบัตินี้ไม่ต้องไปทำมาหากินเลย สามารถเอาเวลาทั้งหมดนี้มาศึกษามาปฏิบัติได้และสถานที่ปฏิบัติก็มีมากมายมีวัดป่าวัดเขาอยู่เต็มไปหมดนอกจากนั้นยังมีพราะอาริยสงฆ์ผู้ที่รู้วิธีสร้างความสุขให้กับใจนี้เยอะแยะไปหมดนี่แหละถ้าไปเปรียบเทียบดูกับ พุทธศาสนาของประเทศเดือดแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่มีประเทศไหนที่จะพร้อมที่จะสนับสนุนให้กับผู้ที่อยากจะทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนเองขึ้นมาเท่ากับประเทศไทยของพวกเราพวกเราที่ได้มาเกิดในประเทศไทยนี้ต้องถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นโชคอันมหาศาล พราะผู้ที่เขาอยู่ต่างประเทศการที่เขาจะมาอยู่ประเทศเราได้เขาก็ต้องผ่านการขออนุญาตทางด้านกฎหมายต้องขอวีซ่งวีซ่าขออะไรต่างๆพวกเรานี้ไม่ต้องขอวีซ่ากันกเราอยู่ในเมืองไทยได้ตลอดชีวิตเนี่ยไม่ต้องมาคอยขออนุญาตคอยต่อวีซ่านี่คือ บุญของพวกเราหรือโชคของพวกเราที่ดีกว่าการถูกรัตตรี่รางวัลที่หนึ่งร้อยใบเพราะเงินทองที่ได้จากรางวัลที่หนึ่งร้อยใบนี้ไม่สามารถมาทำให้เราเป็นที่พึ่งของเราได้กลับจะทำให้เราเป็นที่พึ่งของเงินทองไปอีกแล้วก็จะทำให้เราต้องมาทุกข์ ต่อไปเวลาที่เราต้องพัดพากจากเงินทองไปนะี่ขอให้เราคำหนึ่งถึงความโชควาสนาของเราและคำหนึ่งถึงความวิเศษของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของพระพุทธศาสนาที่จะมอบสิ่งที่วิเศษให้กับเราที่ไม่มีใครในโลกนี้สามารถมอบให้กับเราได้ คือให้เราเป็นที่พึ่งของเราให้เรามีความสุขไปตลอดเพราะที่พึ่งของเรานี้จะไม่มีวันจากเราไปจะไม่มีวันหมดถ้าเราทำใจให้มีความสุขแล้วใจจะมีความสุขตลอดเวลาความสุขในใจของเรานี่แหละที่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาเป็นความสุขที่นิจจังคือถาวร เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ไม่กลายเป็นความทุกข์เป็นความสุขที่เป็นของเรานิจจังสุขขังอัตตาอยู่ที่ใจของเราเนี่แต่เราไม่รู้จากวิธีหามันไม่รู้จากวิธีทำให้มันเกิดขึ้นมาเราเลยต้องมาพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อรู้วิธี องไดองค์หนึ่งก็ได้ไม่ต้องอาศัยทั้งสามค์ทั้งสามอง น, นี้ทําหน้าที่แทนกันได้ทําหน้าที่เหมือนกันให้ความรู้กับเราพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราสร้างความสุขภายในใจพระธรรมคาสั่งคําสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกก็เอามาจากคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าในขณะที่พระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่นั่นเอง พระพุทธเจ้าก็สอนวิธีสร้างความสุขให้กับใจพาเลาส่งสาวกก็เรียนจากพระพุทธเจ้าเรียนจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติจนสามารถสร้างความสุขขึ้นมาภายใน ใ, นใจได้ก็สามารถที่จะสอนผู้อื่นได้อีกทอดหนึ่งเราจึงมีที่พึ่งสองแบบกันในพระพุทธศาสนา ถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราก็อาจจะสงสัยว่าที่พึ่งอันไหนเป็นที่พึ่งที่แท้จริงกันนะมันก็เป็นที่พึ่งที่แท้จริงทั้งสองันนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราต้องอาศัยที่พึ่งอันที่หนึ่งก่อนเพื่อที่จะพาเราไปสู่ที่พึ่งอันที่สองได้ยงเว้นว่าเราเกิดมาแล้วเราสามารถ รู้วิธีสร้างความสุขให้กับใจเราได้เราก็อาจจะไม่ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้เช่นถ้าเราชาติก่อนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันมาแล้วหรือเป็นพระสกิดาคามีมาแล้วนี่พอเรามาเกิดชาตินี้ในโลกนี้ไม่ว่าจะไปเกิดอยู่ที่ไหนเราสามารถที่จะสร้างความสุขที่ใจได้ด้วยตนเอง ถึงแม้จะไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในประเทศที่เราไปเกิดเราก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติสร้างความสุขสร้างที่พึ่งให้สร้างสร้างความสงบสร้างความสุขใจให้เป็นที่พึ่งของใจได้ต่อไป mm. นี่คือพระ อ, อริยะสงสาวทุกรูปพอได้ขั้นเข้าสู่ ขั้นพระ อ, อริยบุคคลแล้วจะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นวิธีสร้างความสุขให้กับใจนั่นเองเมื่อเห็นแล้วก็สามารถที่จะไม่สามารถปฏิบัติไปได้โดยที่ไม่ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสอนแล้วถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนนักศึกษาที่ได้เรียนจบแล้วที่อาจจะยังไม่ได้จบถึงขั้นสูงสุด แต่สามารถเรียนได้ด้วยตนเองเช่นพวกที่จบปริญญาตีก็สามารถจะต่อโทต่อเอกได้ด้วยตนเองก็ได้ถ้ารู้วิธีว่าจะต้องเรียนรู้อะไรอันนี้ก็คือเรื่องของที่พึ่งที่พวกเราในเบื้องต้นจำเป็นที่จะต้องมีก่อนถ้าเรายังไม่มีที่พึ่งในใจของเรา ถ้าเรายังไม่มีอัตตาหิอัตโนนาโถเราก็ต้องพึ่งพุทธังธรรมังสังขังสัลนังกัจฉามิไปก่อนเราต้องเที่ยงพึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมคาสอนหรือพระอริยสงสาวกมาสอนเราเนี่ยที่พึ่งของพระรัตน์ตายนี้คือที่พึ่งเพื่อให้ความรู้กับเราไม่ได้เป็นที่พึ่งเพื่อมา ให้ราบยศสารเสญมาปกป้องคุ้มครองร่างกายของเราไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยเช่นตอนนี้มีโรคระบาะพดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ป้องกันโรคระบาดไม่ได้เดี๋ยวจะคิดว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีไว้เพื่อที่จะมาคอยป้องกันภัยอันตรายต่างๆ อย่างที่บางท่านคิดกันะถึงกับต้องเอาผ้าห้อยคอกันเ mm. พราะคิดว่ามีผ้าห้อยคอแล้วจะปลอดภัยไม่ปลอดภัยเราเชื้อโลกมันไม่รู้ร่าผ้าที่ห้อยคอนี้เป็นใครมันจะเข้ามาร่างกายเรานี่มันเข้าทันทีผ้าที่ห้อยคอเหล่านี้ห้ามไม่ได้ห้ามเชื้อโลกไม่ได้ห้ามภัยอันตรายต่างๆไม่ได้ นั่งรถไปลถความนี้ถ้ามีห้อยพระห้อยคอแล้วไม่ตายนี่ไม่มีเลไปดูคนที่ตายในอุบัติเหตุนี่มีพระห้อยคอกันเยอะแยะไปหมดนี่คือไม่ใช่เป็นที่เพึ่งแบบนี้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่เป็นที่พึ่ ง, บบพพพรรพงเพื่อมาป้องกันภัยต่างๆเป็นเหมือนบริษัทประกันภัยนี่ไม่ใช่นประกันภัยได้ก็ปร ะ, ประกันภัยให้กับจิตใจเอ ถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นจะไม่ไปอบอายภัยของจิตใจคืออบายคือการไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรเป็นอสุรกายไปตกนรกนี้จะไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเพราะถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ที่สอนให้ละการกระทำบาปทั้งปวงนั่นเองถ้าไม่ทำบาปแล้วก็รับประกันได้ว่าจะไม่มีภัยมาคุกคามจิตใจจะไม่มีสัตว์เดรัจฉานมาคุกคามจิตใจจะไม่มีเปรตมีผีมีอสุลกายมีนรกมาคุกคามจิตใจแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ป้องกันภัยของร่างกายไม่ได้ ร่างกายนี้ไม่มีอะไรที่จะมาป้องกันได้เมื่อถึงเวลามันก็จะต้องแก่เจ็บตายไปโดยธรรมชาติของมันเห็นขอให้เราเข้าใจความหมายของพุทธังธรรมังสังขังสารังกัชามิว่าเป็นที่พึ่งทางด้านวิชาการความรู้ ธรรมะเนี่ยคือความรู้ธรรมะคือคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความรู้ความรู้ที่จะสอนให้เรารู้จักวิธีสร้างความสุขขึ้นมาภายในใจของเราเองเพื่อเราจะได้อาศัยความสุขนี้เป็นที่พึ่งของเราต่อไปเพื่อเราจะได้เลิกพึ่งร่างกายพึ่งลาบยศสรรเสริญ พึ่งความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพัทธพัชนิดต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้พึ่งได้ชั่วคราวพึ่งได้เดี๋ยวก็หมดพอหมดแล้วก็เกิดความทุกข์ตามมาไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ถ้าเราไปเพึ่งร่างกายไปเพึ่งลาบยศสรรเสริญไปเพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ อยากจะมีแต่ความสุขตลอดเวลาเราต้องมาพึ่งใจต้องทำใจให้เป็นที่พึ่งด้วยการสร้างความสุขภายในใจขึ้นมาให้ได้น่าจะสร้างขึ้นมาได้ก็ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่นี่แหละทำไมเราจึงต้องถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นผู้สั่งผู้สอนให้เรา ได้รู้จักวิธีสร้างความสุขภายในใจขึ้นมาดังนั้นถ้าเราอยากที่จะมีที่พึ่งที่แท้จริงที่พึ่งที่ให้ความสุขกับเราไปอย่างถาวรไม่มีวันสิ้นสุดเราต้องเรียนจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียนคำสั่งคำสอนตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านจากเราไปแล้วแต่ท่านบอกว่า ท่านจากไปเพียงแต่ร่างกายแต่วิชาความรู้ของท่านนี้ยังอยู่กับพวกเราอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในพระธรรมคําสั่งคําสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนอยู่ตลอดเวลา45ปีด้วยกันพระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมะทุกวันเรียกว่าพุทธกิจกิจประจําวันของพระพุทธเจ้ามีอยู่ห้าข้อด้วยกัน เรียกว่าพุทธกิจห้าสี่ในพุทธกิจห้านี้เป็นกิจที่เกี่ยวกับการสั่งสอนธรรมะทั้งนั้นเช่นตอนบ่ายก็สั่งสอนศรัทธายาโยมตอนค่ำก็สั่งสอนภิกษุภิกษุณีสัมมเนยสั ม, มเนเรเยตอนดึกก็สั่งสอนเทวดาในยามเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบิณฑบาตก็ทรงเล็งญาณดูว่า วันนี้จะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษ น, นีพระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญต่อการสั่งสอนธรรมะเป็นอย่างยิ่งเพราะไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งของพวกเราได้ถ้าไม่มีธรรมะมาสอนพวกเราเราจะไปไขว่คว้าหาที่พึ่งปลอมกันที่พึ่งที่จะทำให้เราต้องผิดหวังที่พึ่งที่จะต้องทำให้เรา ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันเพราะเราไม่รู้จักวิธีพึ่งไม่รู้จักที่พึ่งที่แท้จริงว่าอยู่ที่ไหนนั่นเองแต่พอเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็จะได้ยินได้ฟังวิธีสร้างที่พึ่งที่แท้จริงให้กับพวกเรานหน้าที่ของพวกเราจึงต้องศึกษาล่ื่มเรียนและพวกเราเป็นเด็กนักเรียนะ อย่าหนีโรงเรียนวันพระนี้เป็นวันที่เราต้องไปเรียนหนังสือกันไปวักเข้าวัดไปฟังเทศฟังธรรมวันพระนี้เป็นวันธรรมมัชสวนะวันฟังธรรมอันนี้เป็นยุคสมัยพุทธกาลที่ไม่มีสื่อต่างๆแบบยุคสมัยนี้สมัยก่อนนี้ต้องไปวัดเพราะไม่มีคนสมัยก่อนเรียนหนังสือไม่ได้เรียนหนังสือกัน ไม่มีหนังสือให้เรียนถ้าอยากจะเรียนรู้ต้องเรียนจากปากของคนที่รู้ก็ต้องไปวัดกันเพราะวัดเป็นที่อยู่ของคนที่มีความรู้คือพระพุทธเจ้าและพระอาริยสงสาวกทั้งหลายนั่นเองจึงต้องมีวันหยุดกันในวันพระหยุดทํางานกันหนึ่งวันวันพระเพื่อที่จะได้ไปเข้าโรงเรียนไปเรียน ไปฟังคำสั่งคำสอนไปฟังวิธีที่จะสร้างที่พึ่งที่แท้จริงให้กับตนเองคือสร้างความสุขให้เกิดขึ้นภายในใจเพื่อที่จะได้อาศัยความสุขในใจนี้เป็นที่พึ่งต่อไปจำเป็นจงสมัยก่อนจึงต้องมีวันพระกันเพราะไม่มีวิธีอื่นที่จะไปเรียนคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง แต่ในยุคปัจจุบันนี้พวกเราถือว่าโชคมากโชคดีมากที่เราอยู่ในยุคที่มีความเจริญในการสื่อสารในการเผยแผ่ความรู้ต่างๆมีสื่อชนิดต่างๆมากมายทั้งทางตาทั้งทางหูมีภาพให้ดูให้มีเสียงให้ได้ฟังมีหนังสือให้อ่านในหลายรูปแบบด้วยกัน หนังสือที่อยู่ในกระดาษหนังสือที่อยู่ในมือถือมีอยู่ใกล้ตัวเราอยู่ในกำ ม, มือเราแล้วเพรารรมคำสอนอย่านี้อยู่ใกล้เราเต็มที่ที่สุดนั่นเราสามารถเข้าถึงได้ทุกเวลาที่เราต้องการเราจึงสามารถที่จะศึกษาได้มากมายไกลกองยิ่งกว่าคนที่อยู่ในสมัยพุทธกาล สมัยพุทธกาลแม้จะอยู่แม้จะมีพระพุทธเจ้าแต่ก็เข้าหาพระพุทธเจ้าได้เพียงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเท่านั้นแต่สมัยนี้เราเข้าหาพระพุทธเจ้าได้ทุกวันทุกเวลาตื่นขึ้นมาปุ๊บอยากจะเข้าหาพระพุทธเจ้าก็เปิดมือถือขึ้นมาเลยอยากจะอ่านธรรมะบทไหนก็เรียกขึ้นมาได้เลยอยากจะอ่านมุงค ล, ล์สูตรก็เรียกขึ้นมาได้ ถ้าอยากจะอ่านาธรรมจากกัปปวัตตนสูตรก็เรียกขึ้นมาอ่านได้เลยพระสูตรเหล่านี้ก็เป็นวิธีสอนให้เราสร้างความสุขให้กับใจของเรานั่นเองเห็นพวกเหล่านี้ถือว่าเป็นพวกที่โชคดีมากที่สามารถเข้าถึงพระธรรมคำสอนได้อย่างง่ายดายได้ทุกสถานที่ทุกเวลา พวกเราควรที่จะรีบตักตวงโอกาสอันนี้เพราะเราจะได้ย่นเวลาของการศึกษาของการปฏิบัติลงเมื่อก่อนนี้ต้องเรียนแค่อธิตย์ละหนึ่งครั้งฟังเทศแค่ครั้งละชั่วโมงสมัยนี้เราอยากจะฟังเทศวันละสิบชั่วโมงก็สามารถฟังได้ฟังเทศชั่วโมงหนึ่งแล้วก็พักไปปฏิบัติชั่วโมงหนึ่งแล้วก็กลับมาฟังเทศอีกชั่วโมงหนึ่ง ทำสลับกันไปอย่างนี้ดีไม่ดีเจ็ดวันก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้สามารถสร้างความสุขขึ้นมาภายในใจได้ภายในเจ็ดวันนะครับเพราะเรามีเครื่องมือพร้อมเครื่องมือที่จะทำให้เราสร้างความสุขขึ้นมาในใจของพวกเราก็คือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เองที่เราสามารถเข้าถึงได้ทุกเวลาเลย ตางกับสมัยพระพุทธกาลเนี่ยจะไปฟังเทศจากพระพุทธเจ้าสักครั้งก็ต้องรอวันหยุดทํางานถึงจะมีเวลาว่างหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องรอตอนบ่ายพระพุทธเจ้าแสดงธรรมทุกทุกตอนบ่ายถ้าตอนบ่ายวันไหนเราว่างเราก็ไปฟังได้ฟังแต่ละครั้งก็จะได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วพระธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้ว เราก็อาจจะได้ฟังซ้ำขึ้นมาอีกพอได้ฟังซ้ำบ่อยๆ <c oughs> อก็จะทำให้เราเกิดความเข้า อ, อกเ <c oughs> ข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับจะทำให้ความรังเลยสงสัยต่างๆหายไปหมดจะทำให้เรามีดวงตาเห็นธรรมนะมีความรู้ว่าวิธีสร้างความสุขของใจนี้สร้างอย่างไรนะแต่พอเรารู้แล้วทีนี้เราก็นำมอาอไปปฏิบัติได้เลย พอปฏิบัติไม่นานอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่าถ้าปฏิบัติตามคําสอนของเราได้ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนะถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีจะต้องได้บรรลุต้องสําเร็จการศึกษาอย่างแน่นอนทุกๆคนนี่คือสิ่งที่พวกเรามีพร้อมกันหมดแล้วอยู่ที่ตัวเราว่าเราพร้อมกับสิ่งที่จะให้ความรู้กับเราหรือไม่ เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คอยที่จะให้คำสั่งคาสอนกับเราตลอดเวลาอยู่แล้วเราพร้อมที่จะไปรับคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่เท่านั้นเพราะว่าถ้าเราไม่ไปศึกษาแล้วเราไปปฏิบัติเนี่ยเราก็จะไปแบบคนตาบอดปฏิบัติเนคนตาบอดเดินไปไหนมาไหนนี่ สู้คนตาดีไม่ได้หรือสู้คนที่มีคนนำทางไม่ได้พวกเราตอนนี้ยังเป็นเหมือนคนตาบอดอยู่ถ้าพูดถึงเรื่องการสร้างความสุขให้กับใจของพวกเราเรายังไม่รู้จักวิธีสร้างความสุขให้กับใจของเราว่าสร้างอย่างไรเราต้องมีคนสอนหรือมีคนพาเราไปเราก็สามารถเรียนได้หลายวิธีด้วยกัน วิธีหนึ่งก็เนี่ยฟังเทศฟังธรรมจากสื่อต่างๆจากหนังสือจากวิดีโอจากทีวีจากเทปจากเทปบันทึกเสียงต่างๆเดสมัยนี้ก็จากการดูในมือถือมีทั้งตัวอักษรมีทั้งเสียงมีทั้งภาพให้เราเลือกดูได้ให้เราศึกษาได้ เราพร้อมที่จะศึกษาหรือไม่เดิอเราอย่างหัววุ่นวายไปยุ่งอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ยังห่วงยังเสียดายที them, ่พึ่งงานเก่ากันอยู่เหตุที่พาให้เราเหตุที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นการมาสร้างที่พึ่งที่แท้จริงให้กับเรานี้ก็คือเรายังติดอยู่กับที่พึ่งแบบเก่าวันนี้ เรายังติดอยู่กับการหาความสุขแบบเก่ากันเรายังติดอยู่กับลาบยศสรรเสรญติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจึงทำให้เป็นกลายเป็นอุปสรรคขวางกัน้นการที่เราจะไปศึกษาไปปฏิบัติสร้างความสุขแบบใหม่กันนั่นเองเราต้องพิจารณาถึงผลดีผลเสียของ ที่พึ่งสองรูปแบบนี้ว่าที่พึ่งสองรูปแบบนี้เป็นอย่างไหนเป็นที่พึ่งที่ดีกว่ากันที่ให้ความสุขมากกว่ากันที่กาจัดความทุกข์ได้มากกว่ากันเราถึงจะเห็นคุณประโยชน์ของของที่พึ่งแบบแบบที่มีประโยชน์คือประโยชน์ที่คือที่พึ่งแบบใหม่ที่เรายังไม่มีกัน ที่พึ่งแบบใหม่ก็คือที่พึ่งทางใจที่ทำให้ใจเรามีความสุขสร้างความสุขขึ้นมาที่ใจแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปพึ่งร่างกายไม่ต้องไปพึ่งลาบยศสนเสริญไม่ต้องไปพึ่งคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราเพราะเขาเป็นที่พึ่งชั่วคราวไม่ช้าก็าเร็วเขาก็จะต้องจากเราไป ไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตา ย, เ, ยเวลาจากกันก็จะมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับและอาจจะทำให้เราคิดฆ่าตัวตายไปก็ไดน้นี่คือที่พึ่งแบบเก่าเป็นอย่างนี้ส่วนที่พึ่งแบบใหม่นี้จะไม่มีวันร้องห่มร้องไห้จะไม่มีวนัวนพัดพากจากกันความสุขที่เราสร้างขึ้นมาในใจ จะอยู่กับใจของเราไปอย่างถ้าวอนจะให้ความสุขกับเราตลอด24ชั่วโมงเจ็ดวันต่ออาทิตย์30 37วันต่อเดือน365วันต่อปีจะไม่มีวันไหนที่ไม่มีความสุขเลยจะไม่มีวันไหนที่มีความทุกข์เลยนี่แหละคือผลที่เราจะได้รับจากการที่เรามาสร้างที่พึ่งแบบใหม่ก็เหมือนกับเวลาเราไปซื้อรถใหม่ เราก็ดูรถเก่า เ, าเป็นยังไงโกโลโกโสมไหมบางทีก็สาตาร์ทไม่ติดบางทียางก็แตกบางที่วิ่งไปได้ไม่กี่กิโลก็จอดต้องส่งเข้าอู่อยู่เรื่อยๆกับรถที่เราไปซื้อใหม่นี้เป็นยังไงไม่มีปัญหาต่างๆเลยสาตาร์ทปุ๊บก็วิ่งได้เลยวิ่งไปถึงนี่ไหนก็วิ่งได้แล้วก็มีอุปกรณ์อำนวยความสุขกความสะดวกเต็มไปหมด รถรุ่นใหม่นี้มันมีลูกเน่นเยอะกว่ารถรุ่นเก่านะถ้าเราใช้รถเก่ามาสิบปียี่สิบปีแล้วพอมาเจอรถรุ่นใหม่นี้มันเหมือนกับคนละโลกเลยนะรถรุ่นใหม่นี้มันขับให้เราได้ด้วยเดี๋ยวนี้ถ้าเราง่วงนอนขี้เกียจขับให้มันขับให้เราก็ได้นับ <c oughs> <c oughs> เ, เปรียบเทียบดูทำไมเราถึงอยากจะซื้อรถใหม่กันทำไมไม่อยากใช้รถเก่ากันล่ะ เพราะรถเก่ามันสู้รถใหม่ไม่ได้เพราะเราเห็นสมรรถภาพความสามารถของรถใหม่มันดีกว่ารถเก่านะเราเลยยินดีทิ้งรถเก่าไปฉันใดถ้าเรามาเปรียบเทียบกับสมรรถภาพของการให้ความสุขกับเรากับการกำจัดความทุกข์ให้กับเรานี้รูปแบบใหม่รูปแบบเก่านี่ช่อยรูปแบบใหม่ไม่ได้เลยแล้วเรายังจะไปติดอยู่กับการ หาความสุขแบบรูปเก่ารูปแบบเก่าทำไมทำไมไม่เปลี่ยนลดกันลถใหมยรุ่นออกมาเราก็มีเงินซื้อไม่ใช่ไม่มีเงินซื้อด้วยพวกเราทุกคนนี่สามารถไปศึกษาปฏิบัติทำกันได้ทุกคนทำไมไม่ไปกันก็เพราะเรายังมาห่วงมาหวงยังมาติดกับการหาความสุขในรูปแบบเก่านั่นเองยังอยากหาลาบยศจัลเสญยังอยากหาความสุข จากรูปเสียงกลิ่นรสผดธาชนิดต่างๆมันก็เลยทำให้เรายึกยักยึกยักแต่ละแต่ละครั้งที่จะไปวัดไปฟังเทศไปปฏิบัติธรรมนี่โอ้ยเหมือนกับต้องเบียบไปโลกพระจันทร์อย่างนั้นไปเหมือนไปดาวองคารต้องคอยเตรียมอะไรเยอะแยะไปหมดถึงจะไปได้แต่ถ้าให้ไปหาความสุขจากการไปเที่ยวนี่มันง่ายเหลือเกินเพียงแต่ มีกระเป๋าปใบหนึ่งยัดเสื้อพผงเสื้อผ้าใส่ไปก็ออกเดินทางได้นะถ้าใครยื่นตั๋วมาให้เราบอกจองโรงแรมให้แล้วเนี่ยไปอยู่ได้มีทัวร์พาไปเจ็ดวันเจ็ดคืนนี้โอ้แทบจะไม่ต้องตั้งหลักตั้งตัวเลยบางคนนี่เตรียมกระเป๋าเดินทางไว้รอให้เพื่อนโทรมาบอกมาเรียกท่านให้ hey, ไปหรื อ, อยังนี่แหละคือปัญหาของพวกเราอยู่ตรงนี้ พวเรายังติดกับการหาความสุขในรูปแบบเก่าอยู่เพราะเราไม่ใช้ปัญญาพิจารณาโทษของการหาความสุขในรูปแบบเก่าไม่คิดถึงต่อไปตอนที่เราแก่เนี่ยหรือตอนเนี้ยตอนเริ่มมีโรคระบาดแล้วเนี่ยไปไม่ได้แล้วเนี่ยนี่อยากจะไปไหนไปไม่ได้แล้วเนี่ยอยากจะไปเที่ยวในที่ไหนตอนนี้ไปต่างประเทศไม่ได้ต่อไปถ้ามันระบาดในประเทศนี้ไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยต้องอยู่บ้านอย่างเดียว ออกนอกบ้านไม่ได้ออกไปแล้วเดี๋ยวจะติดเชื้อกันคิดดูนี่แหละคือผลลบเรืองมุมลบของการหาความสุขแบบเก่า ไม่ช้าก็เร็วนี่มันจะทำให้เราไม่สามารถหากันได้แล้วตอนนั้นจะรู้สึกไงต้องอยู่บ้านหดหยิดดลำคาญใจนะค่อยออกจากบ้านทุกวันไปนู่นมานี่๋ย่นี้เขาห้ามหมดห้ามไปไหนมาไหนดูประเทศจีนเนี่ยเมืองวูฮานเนี่ยเขาปิดเมืองเลยไม่ให้คนเข้าไม่ให้คนออกคนที่ติดให้ให้ติดอยู่ในคอนโดอยู่ในบ้านไม่ให้ออกไปนอกบ้าน จะเอาเข้ า, าของนี่บางทีต้องใช้เข่งใช้อะไรห้อยลงมาให้คนเขาส่งขึ้นไปให้นั่นแหละนี่คือผลผลลบจากการที่เราหาความสุขในรูปแบบเก่าและที่มันแน่นอนตายตัวสําหรับทุกคนก็คือตอนที่เราแก่ตอนที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่บนเตียงตอนที่เราจะตายนี่ตอนนั้นจะไม่มีความสุขเลย แต่ความสุขในรูปแบบใหม่นี้สามารถที่จะสุขได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆเช่นตอนนี้มีโรคระบาดคนที่มีความสุขใจไม่เดือดร้อนเพราะความสุขใจไม่ถูกกระทบจากการมีโรคระบาดเพราะการสุขใจนี้เราสามารถผลิตขึ้นได้ตลอดเวลาทุกสถานที่ทุกเวลาถ้าเรารู้จักผลิตขึ้นมาแล้วนี่เราสามารถผลิตกันได้ทุกแห่งทุกคน ถึงแม้จะเป็นจะติดเชื้อจะไปดอนโรงพยาบาลจะไปถูกกักตัวอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าเรามีความสุขในรูปแบบใหม่แล้วเราจะไม่เดือดร้อนกับโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆจะไม่เดือดร้อนกับการถูกกักขังไว้ไม่ให้ออกไปหาความสุขจากสถานที่ต่างๆจากบุคคลต่างๆนี่แหละเราต้องใช้เหตุผล เราต้องมาดูผลดีผลเสียของการหาความสุขของสองรูปแบบนี้ถ้าเราถึงจะได้รู้ว่าอันไหนจะดีกว่ากันถ้าเราเปรียบเทียบแล้วนี่ความสุขในรูปแบบใหมน่นี้ดีวิเศษกว่าความสุขในรูปแบบเก่าไม่มีปัญหาไม่มีทุกข์ไม่มีอะไรตามมาแล้วมันก็ไม่ยากเย็นด้วย มันก็เป็นเหมือนกับการไปเรียนหนังสือดีๆนี่ก็ไปฟังไปฟังครูไปฟังอาจารย์สอนเหมือนตอนที่เราเรียนหนังสือเราก็ไปโรงเรียนกันทุกวันไปได้ป้ายวันละแปดชั่วโมงไปโรงเรียนกันแล้วไปต้องกี่ปีกว่าจะเรียนจบถ้าปริญญาก็สิบหกปีก็ไปกันได้ไม่เห็นจะยากเย็นตรงไหน อันนี้ก็ไม่ยากเห็นไปเรียนใครฟังเทศฟังธรรมเหมือนมาตอนนี้มันยากเย็นตรงไหนก็นั่งเฉยเฉยนั่งฟังไปฟังแล้วก็พยายามทําความเข้าใจให้เกิดความเข้าใจว่าเราต้องทําอะไรบ้างแล้วพอเรารู้ว่าเราต้องทําอะไรบ้างก็ลองไปทําดูสิยิ่งคําสอนของพระเจ้าที่จะสอนให้เราสร้างความสุขใจนี้มันไม่เลือกรับซับซ้อนเหมือนกับความรู้ที่เราเรียนทางโรงเรียนเลย ในโรงเรียนนี้เราเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นี่ปวดหัวไหมเรียนคณิตศาสตร์ปวดหัวไหมเรียนเคมีเรียนฟิสิกส์ปวดหัวไหมการคําสอนของพระเจ้านี่แสนจะง่ายตรงไปตรงมามีแค่สามหัวข้อใหญ่ๆเท่านะนั้นเองแล้วให้นํามาไปปฏิบัติคือหนึ่งละการกระทําบาปทั้งปวงสองสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆให้ถึงพร้อม สามชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือสามวิชาหลักที่เรามาเรียนกันแล้วก็มานำเอาไปปฏิบัติกันเราก็เรียนไปแต่ละวิชาเราก็ต้องไปขยายความว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวงนี้มีอะไรบ้างบาปมีอะไรบ้างบาปก็มีอยู่ห้าข้อก็คือไม่ฆ่าสัตว์คือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณี การพูดปดการดื่มสุรายาเมาและเพื่อนของสุราคืออบายามุกอื่นๆเราละมันเท่นี้เองค้าข้อนี้ละการฆ่าสัตว์อย่าไปฆ่าเราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องฆ่าผู้อื่นไม่ต้องไปลักทรัพย์ของผู้อื่นเราก็อยู่ได้ไม่ต้องไปประพฤติผิดประเวณีเราก็อยู่ได้ไม่ต้องโกหกเราก็อยู่ได้ ไม่ดื่มสุราเราก็อยู่ได้ไม่เสพอ บ, บายามุคอื่นๆเราก็อยู่ได้ไม่เล่นการพ น, นันไม่เที่ยวเตยไม่เกียดค้านไม่คบคนชอบอาบายามุขเป็นมิตรเนี่ยนี่ก็คือเรื่องข้อห้ามทางศาสนาท่นเพราะการกระทาเหล่านี้มันนำความทุกข์มาให้กับเราถึงแม้เราจะเกิดความสุขจากการทำเหล่านี้แต่เป็นความสุขที่จะมีความทุกข์ตามมานั่นเอง เวลาเราไปขโมยทรัพย์ของคนอื่นเราก็ดีใจโอ้ได้เงินได้ทองมามีความสุขแต่เดี๋ยวไม่นานความกลัวก็เกิดขึ้นมาแล้วกลัวที่จะถูกไปจับไปลงโทษเนี่ยกลัวว่าคนอื่นจะรู้ออพอ ร, รู้แล้วเดี๋ยวเราก็จะถูกเขาตำหนิถูกถูกเขารังเกียจหรือถูกเขาไปฟ้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับเราไปติดคุกติดตาราง เ, เนี่ยมันจะมีความทุกข์ตามมา ความสุขที่ได้เป็นความสุขแบบควันไฟดีใจเดี๋ยวเดี่ยวดีใจตอนที่ได้ทำแล้ว เ, เดี๋ยวก็ต้องมาทุกมาวุ่นวายใจเนี่ยแค่นี้เองข้อที่ข้อที่หนึ่งของการปฏิบัติก็คือถือศีลห้าให้ได้แล้วก็เลิกกระ บ, บายมุนอกจากสุราแล้วก็อย่าไปเล่นการพนันอย่าไปเที่ยวเตะอย่าไป คบอย่ามีความเกลียดครั้นแล้วก็อย่าไปคบคนที่ชอบอบายมุขเป็นมิตรเพราะคนชอบกินเหล้าเขาก็จะชวนเราไปกินเหล้าคนชอบการพนันก็จะชวนเราไปเล่นการพนันคนชอบเที่ยวก็จะชวนเราไปเที่ยวคนชอบความเกลียดครังก็จะชวนเราไปเกลียดครั้นแล้วพอเราไปเสีอบายมุขอะไรจะเกิดขึ้นก็มีแต่เสียเงินเสียทอง เอเงินทองไม่พอใช้จะทจะหาเงินทองโดยวิธีไหนก็ต้องไปขมโมยเขไปปล้นไปจี้ไปฆ่าคนอื่นนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้แล้วมาปฏิบัติละการกระทำบาปทั้งปวงเพราะมันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจ ถ้าเราไม่ต้องการมีความทุกข์ใจต้องการมีความสุขใจเราก็ต้องละการกระทาบาปนะฮะแล้วเราถ้าเราต้องการมีความสุขใจเราก็ต้องมาทาบุญมาชาระใจให้สะอาดเพราะการจะมีความสุขใจได้นี้เกิดจากหนึ่งการสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมสองให้ชำระกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้มันหมดไปจากใจ เอาใจของเราก็จะมีแต่ความสุขเนี่ยมีแค่สามข้อนี้เรียนเจ็ดวันก็จบพระพุทธเจ้าบอกถ้าจะถ้าตั้งใจจะเรียนจริงๆแล้วมีคนจบภายในเจ็ดวันก็มีเจ็ดเดือนก็มีเจ็ดปีก็มีพระพุทธเจ้าไม่งั้นจะไม่พูดหรอกเพราะท่านรู้ท่านมีลูกศิษย์ลูกหาที่บางคนเรียนจบเจ็ดวันก็มีจบเจ็ดเดือนก็มีจบเจ็ดปีก็มี ท่าเลยรับประกันหลักสูตรของพระ อ, องค์ว่าถ้าใครศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของเราได้รับประกันว่าถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีจะต้องได้พบกับความสุขที่แท้จริงจะได้พบกับความสุขที่ไม่มีความทุกข์ที่จะเป็นที่พึ่งของตนไปตลอดเพราะจะได้ไม่ต้องไปพึ่งสิ่งอื่นๆอีกต่อไป เพราะสิ่งอื่นๆที่มีอยู่ในโลกนี้พึ่งได้เป็นครั้งเป็นคราวเวลาไม่เวลาพึ่งไม่ได้ก็จะทำให้เราเคว้งทำให้เราเหงาทำให้เราเศร้าทำให้เราไม่มีความสุขกันถ้าเปรียบเทียบกับการศึกษาทางโลกกับทางธรรมแล้วเนี่ยการศึกษาทางธรรมนี่ง่ายกว่าเยอะแยะไม่ต้องไปเรียนโอ้ไม่รู้กี่สิบวิชาเนื้อกัน แล้วแต่ละวิชาก็มีขั้นขั้นสูงขั้นต่ำเนี่ยขั้นของปฐมขั้นของมัธยมขั้นของอุดอมศึกษามีความรู้ที่กว้างขวางมากน้อยต่างกันแต่ความรู้ทางธรรมนี่มีแค่สามหัวข้อใหญ่ๆนี่น่าการกระทําบาปทั้งปวงสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆให้ถึงพร้อม คือสร้างบุญสร้างกุศลแบบที่เราชอบพูดย่าไๆเราสะดวกจะทําบุญแบบไหนเราก็ทําบุญแบบนั้นได้ทําบุญกับพ่อกับแม่ก็ได้ทําบุญกับโรงเรียนก็ได้ทําบุญกับวัดก็ได้ทําบุญกับโรงพยาบาลก็ได้ทําบุญกับคนตายก็ได้ซื้อลงศพทําบุญกับสัตว์ก็ได้ตายถ่ายชีวิตวัวควายหรือปล่อยนกปล่อยปลานี่เป็นวิธีสร้างความสุขให้กับใจนะครับ แล้วถ้าอยากจะได้ความสุขมากกว่านี้ก็ไปชําระใจให้สะอาดปฏิบัติวิปัสนาสมถะภาวนาต้องใช้สมถะและวิปัสนาภาวนาถึงจะสามารถชําระกิเลสตัณหาตัวที่มาก่อกวนสร้างความสุขสร้างความทุกข์ให้กับเราไม่รู้จักจบจากสิ้นได้พอเราชําระด้วยวิปัสนาด้วยสมถะแล้วทีนี้ใจของเราก็จะ ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจมีแต่ความสุขตลอดเวลาเป็นปรมังสุ ข, ขังนคำว่าปรามังสุขขังก็คือเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดยี่บสี่ชั่วโมงตลอดทุกวันทุกเวลาใจจะมีแต่ความสุขใจจะมีที่พึ่งใจจะเป็นที่พึ่งของตนไม่ต้องไปพึ่งสิ่งอื่นต่อไปเพราะความสุขจากสิ่งอื่นๆนี่สู้ความสุขที่ได้จาก การทำใจให้มีความสุขไม่ได้เนี่ยแหละคือการทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนด้วยการพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ามาสั่งมาสอนวิธีการสร้างความสุขภายในใจให้เกิดขึ้นพอเราได้เรียนรู้และนําอาไปปฏิบัติแล้วเราก็จะได้มีความสุขภายในใจที่จะเป็นที่พึ่งของเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด นี่คือเรื่องของอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตอนที่นำามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรอ ยาถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตางนังอุปกัรปติอิชิตังปะชิตังตุมหังกิปเมวาสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยาถามณีโชติ ภระโสยะาสัพพิตโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวะโตอันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะ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 เพราะถ้าเลิกแล้วจะของดถามเพราะหลังจากที่เลิกจากนี้แล้วจะต้องมีงานอย่างอื่นต้องทำต่อไม่สะดวกถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ วันนี้ทาง Facebook เข้ามาหกร้อยหนึ่ง1 1สี่ร้อยสิบเอดวิทยุออนไลน์สิบแปดรับฟังข้างบนนี้หกสิบปดคนรวมทั้งหมดหนึ่งพันเก้าสิบแปดครับทางนี้ใครต้องการถามช่วยส่งไลน์ไปให้หน่อยนามสการค่ะหลวงพ่อคำถามคื อ, อหนู ตอนนี้หนูช่วยเหลือบางคนที่เดือดร้อนแล้วก็ฐานะที่แบบเขาเดือดร้อนแล้วหนูก็ที่พอช่วยได้หนูก็ช่วยแต่คนที่ใกล้ชิดก็ไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากให้ช่วยแล้วถ้าหนูตอบเป็นถ้าหนูพูดก็เป็นประเด็นแต่ถ้าหนูไม่ตอบอะไรเลยแล้วก็ช่วยเหลือไปหนูรู้สึกอึดอัดกับคนที่รู้สึกขัดขานกับการกระทาของเราหนูจะวางยังไงคะ เพราะเราไปอยากให้เขาคิดเหมือนเราไงนี้แต่ละคนก็มีความคิดเห็นไม่เหมือนกันเขาก็ยังเสียดายเงินหัวเงินอยู่เอาเงินไปกินเหล้าดีกว่าเอาไปช่วยเหลือคนอื่นก็ยังไม่เห็นคณกล้าประโยชน์จากการที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นเพราะจะให้เรามีความสุขใจมากกว่าการความสุขที่ยากจากการได้ดื่มสุราหรือจากการเอาเงินไปซื้อข้าวของอะไรต่างๆ แล้วมีคุณประโยชน์หลายอย่างเป็นความสุขในปัจจุบันนอนหลับก็ฝันดีตายไปก็ไปสวรรค์เขาไม่เห็นกลับมาเกิดก็รวยกว่าเก่าเพราะเขาไม่ฟังธรรมไงเ็เลยไม่เรื่องคุณค่าประโยชน์แทนที่เขาควรจะอนุโมทนาแสดงความยินดีเขากับเสียดายเงินเพราะคิดว่าถ้าเงินท่านนี้ถ้าไม่ไปช่วยเขาเลยเขาเขาก็จะได้เอาเงินนี้ไปกินเหล้าได้ พอเราไปช่วยคนอื่นเขาก็เลยมีเงินกินเหล้าน้อยลงเขาก็เลยไม่อยากจะให้เราไปช่วยคนอื่นให้เราอย่าไปอย่าไปยหวังอะไรจากเขาถ้าเป็นเงินของเราก็ไม่ต้องไปสนใจเขา ถ้าเป็นเงินของเขาก็แบ่งส่วนของเขาไปทําแต่ส่วนของเราไป แ, แกันให้มันแยกให้มันขาดจากกันค่ะแต่เอบชอบพูดสอเสียดข้างๆหูอะค่ะเจ้นั้นดูต้องพุทโธต้องเป็นเราต้องพุโทโธเราต้องทําใจให้เบรกขาแสดงว่าใจเรายังไม่แข็งแรงพ อ, นะอยังหวั่นไหวต่อคําพูดของคนอื่นอยู่ใชนะค่ะ คำพูดห้อยแล้วเก็บเป็นเหมือนเสียงหมาเห่าก็แล้วกันสาธุเจ้าค่ะต่อบไปนี้ถ้าหนูคิดว่าสิ่งที่หนูทําถูกก็ทําไปใช่เราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งไม่ใช่ละเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าสอนให้เมตตาไม่ใช่ละเจ้าค่ะไม่ได้สอนให้เข้าหวงมันของทองไม่ใช่เจ้าค่ะเราไปฟังใครล่ะใครเป็นอาจารย์เราล่ะหลวงพ่อไม่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยโอเคค่ะ ก็พูดโทรไปเวลารู้สึกใจไม่ค่อยดีเวลาเขาแม่ยินดีด้วยก็พูดโทรพูดโทรไปคิดว่าเป็นเสียงหม้าเห่าหม้าหอนไปนวุวาสการค่ะพูดใกล้ๆหน่อยเสียงจะได้ดังค่ะ วันนี้เนี่ยตั้งใจมาเพราะว่าเป็นวันวันครบรอบที่คุณแม่เสียชีวิตแล้วนะค ะ, ะก็ตั้งใจมาทำบุญมาฟังธรรมแล้วก็มาระลึกถึงคุณแม่นะคะแต่ทีนี้เนี่ยอยากจะสอบถามว่าวิธีที่จะทำบุญให้คุณแม่อย่างถูกต้องเนี่ย ควรจะต้องทอํายังไงอะคะก็ทำเนะี่ยทําบุญแล้วก็กวดน้ําอุทิศบุญไปให้กับคุณแม่ทําได้เท่านี้สําหรับคนที่ล่วงลับไปแล้วนอกจากว่าเรามีมียานวิเศษ ส, สามารถติดต่อคนตายได้แล้วก็สอนธรรมะให้กับเขาได้เหมือนพระพุทธเจ้าสอนแม่พระพุทธเจ้าตรัสารู้แล้วอยากจะตอบแทนุนคุณแม่อยากจะให้ธรรมะกับแม่ก็ท่านมียานท่านสามารถติดต่อกับ กายทิพย์ได้ติดต่อกับผู้ที่ตายไปแล้วได้ท่านก็เลยไปสอนแม่ให้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมา mm. ถ้าถ้าเราไม่มียานเราทำได้ก็เพียงแต่ทำบุญแล้วก็อุทิศไปทำทุกวันอย่าไปทำเฉพาะวันครบรอบปีแล้วตรงสามร้อนกว่าวันก็ท่านจะให้ท่าน ขิวโหยนั่นเหยแต่ถ้าถ้านั่งสมาธิแล้วก็นึกถึงไม่ได้นะ<ม>บุญบุญเรายังมันยังไม่เกิดบุญอยากสมาธิยังไม่เกิดเพราะเราเพียงกำลังเหมือนกำลังปลูกต้นไม้อยู่<ะ>เวลาเราฝึกนั่งสมาธิจิตเรายังไม่เคยรวมนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ผล พระพุทธเจ้าจึงไม่สอนให้เราทิศบุญจากการรักษาศีลหรือนั่งสมาธิเพราะบุญเหล่านี้มันยังเป็นแบบไม่สมบูรณ์ใจบุญที่เกิดจากการใส่บาตรถวายสังฆทานนี่มันสําเร็จประโยชน์ได้สมบูรณ์เต็มร้อยสามารถอุทิศไปได้เลยฉันก็พยายามทําบุญทุกวันทําบุญกับใครก็ได้ทําบุญกับพระทําบุญกับเด็กทําบุญกับสัตว์ได้ทั้งนั้น ขอให้เรามีการเสียสละแบ่งปันแล้วจะเกิดความสุขใจคือบุญขึ้นมาแล้วเราก็อุทิศให้แม่ได้ทุกวันอพอทำบุญแล้วก็อุทิศกดน้ำไปให้ไม่ต้องใช้น้ำก็ได้เพียงแต่ลึกภายในใจเขาทิศส่วนบุญนี้ให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วเช่นคุณแม่คุณพ่อปู่ยา่าตายายอะไรก็ว่าไปถ้าเขาไม่มีบุญเขาก็จะได้มารับบุญอันนี้ไปได้ค่ะขอบคุณค่ะ ข้างหลังมีทรงตากราบนมั ส, สการพระอาจารย์ค่ะเคยฟังพระอาจารย์บอกว่าสมาธิสามารถทำได้โดยการบริกรรมพุโทโธและก็หลายๆวิธีหากว่าเราบริกรรมพุโทโธไปเรื่อยๆจนชินแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะใช้วิธีอื่นอย่างเช่นดูลมหายใจ นี้ถ้าทำวิธีหนึ่งชินแล้วแล้วถ้าลองมาทำดูลมหายใจแบบนี้ควรจะทำหรือไม่คะหรือว่าคุณจะทำแบบเดิมดีกว่าก็ลองดูก็ได้ไม่ได้เป็นอะไรที่เสียหายใช้พุทโธแล้วคิดว่ายังไม่เข้าลึกพออาจจะมาเปลี่ยนเป็นดูลมหายใจออ ก, ก็ได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> ได้ค่ะ <c oughs> แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่า ถ้ายังไม่ลึกพอเราจะรู้ได้ยังไงเขาว่าแบบนั้นลึก อ, อ๋อมันต้องแบบตกลุมตกบอ่อตกมาจากที่สูงเนี่ย อ, อ๋ อ, อ, อลงไปมันริบขาดเนี่ย อ, อ๋อ okay. ค่ะแล้วพอถึงพื้นถึงฐานของจิตมันก็นิ่งสงบเบาสบายโล่ง อ, อกโล่งใจเหมือนขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นนะ อ, อืมมันจะรู้เองถ้ามันเจอของจริงเมือออ๋ อ, อ, อ, อนี่แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าลดแห่งธรรมชนะลดทั้งปวง อ, อืค่ะ อยู่ที่ความสงบนี่เองกราบครับไม่มีก็ส่งกลับมาถางนี้ใครอยากจะถามเชิญถามได้นะได้ไม่เก็บซั่งมันเก็บเปนเดอมบ่อยแล้วมาเนาตัทานน้องๆอ่ะอยากจอยากโหลดไปทำนี่เพิ่งมาครั้งแรกคุณแม่ชีบวชนานไหมบวชสาวอนหรือเปล่ายังไม่มีกำหนดดีเพราะช่วงนี้มี มีศรัทธายาโยมลาบวชชีกันเยอะไปบวชที่ประเทศอินเดียเขามีโครงคการกันเลยมีคนจัดเลยของหนูไปบวชที่อินเดียด้วยปะบวชได้ประมาณปีกับสองเดือนดีไม่มีอะไรดียิ่งกว่าการบวชการบวชี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเรา ใครสามารถบวชได้นี่เหมือนกับได้ซื้อของขวัที่มีคุณค่าราคามากที่สุดคือจะได้นิพพานไม่ช้าก็เร็วนะขอให้พยายามปฏิบัติไปอย่าศึกอยวกลับไปหาเศษขยะล <c oughs> <c oughs> าบยศสารเสื่อนี่เหมือนเหมือนเศษขยะมาเปรียบเทียบกับมรรคผลนิพพานเหมือนเพชรเนินจินดาเอาเพชรเนินจินดาดีกว่าอ่าเชิญถามต่อไป คำถามจากคุณริชครับในหนังสืออำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรมของสมเด็จพระยาณสังวรที่ท่านกล่าวไว้ว่าให้ภาวนาพุโทโธในช่วงระหว่างวันที่เราว่างจากงานทั้งยืนเดินนั่งนอนอยากรีนถามว่าเราต้องกำหนดลมหายใจด้วยหรือไม่ครับหรือภาวนาพุโทโธอย่างเดียวครับก็แล้วแต่เราจะใช้มันมีหลายวิธีกันในการเจริญสติใช้พุโทโธไปก็ได้ ใช้การจดจอ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายก็ได้แต่การดูลมนี่คิดว่าจะเป็นของที่ยากหน่อยเพราะลมมันละเอียดแต่ถ้าเราสามารถใช้ลมนึ่งได้ก็ก็ใช้ได้ถ้าเรารู้ว่าลมาหายใจเข้าเราก็รู้ว่าหายใจเข้าแล้วถ้าไม่หายใจออกก็ต้องตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ต้องตาย อันนี้เรียกว่าใช้สองอย่างรวมกันใช้อนาปานาสติกับม า, านุสติพร้อมกันก็อาจจะทำจิตให้สงบให้มีสติมากขึ้นก็ได้พอเราคนเราคิดถึงความตายแล้วมันมักจะไม่ค่อยประมาทกันอยามีสติสตังจะคอยระวันระวังแต่ถ้าหลงระเรลิมนะมันจะไม่มีสติกันถ้าลืมความตายแล้วมันจะ สู่ความโลภความอะไรมาหลอกให้ไปหลงระเริงคำถามจากผู้ฝักถามคำถามแรกการฝันร้ายคือการชดใช้กรรมหรือไม่ครับอ๋อยังงเราเป็นการเพียงแต่ <c oughs> ดูหนังตัวอย่างนั่นเองยัง ตายไปยังไม่หมดนะตอนที่เรานอนหลับนี่เป็นเหมือนดูหนังตัวอย่างเพราะเดียวเดียวนอนหลับไม่กี่ชั่วโมงเหมือนดูหนังหนังตัวอย่างหนังจริงยังต้องรอเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วตอนนั้นจะเป็นหนังจริงจะยาวเป็นปีเป็นร้อยปีพันปีก็ได้แล้วแต่ว่าบุญบาปที่เราทำมากน้อยเพียงไรครับคำถามที่สอง การพูดจาไม่ดีหรือทะเลาะ ก, กับคนอื่นเพราะความโกรธ ถ, ถือว่าผิดศีลห้าไหมครับและถ้าไม่ผิดศีลจะถือว่าทําบาปด้วยความโกรธไหมครับเพราะผมจะฝันถึงการอาฆาตแค้นเอาคืนกับบุคคลที่ผมโกรธอย่างนี้ถ้าหักตายไปต้องไปเสวยผลกรรมต้องไปเป็นสัตว์นรกใช่ไหมครับคือศีลห้าศีลแปนี้ก็เพีย <c> ง <oughs> แต่ไม่ให้เราพูดปดท่านนั้นเอง ส่วนพูกคำหยาบนี่เป็นสีละเอียดของนักบวชก็ยังไม่ถือว่าผิดสีหน้าหรือสีลแปะแต่การทำอะไรด้วยความโกรธมันก็จะสะสมความโกรธให้มีอยู่ในใจมากขึ้นแล้วมันก็อาจจะทำให้เราไปทำบาปต่อไปได้เวลาโกรธมากๆถ้าด่าแล้วมันยังไม่สะใจก็อาจจะตีเขา บทีเขาก็ฆ่าเขาเลยต้องระมัดระวังพยายามหยุดความโกรธพยายามห้ามความโกรธไว้อย่าปล่อยให้มันออกมาทางวาจาหรือทางการกระทาทางร่างกายให้แผ่เมตตาเวลาเกิดความโกรธขึ้นมา เนี่ยการแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เกิดความโกรธไม่ใช่ไปนั่งสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาไม่มีใครมารับนไม่มีปัญหาเหมือนกินยาตอนที่ไม่มีไม่เจ็บปไม่ไม่เป็นร่างกายสบายไปกินยาทาไมกินยาก็ต้องเวลาปวดหัวปวดท้องความโกรธนี่ก็เป็นเหมือนโรคใจความปวดทางใจ พอปวดทางใจปั๊บก็ต้องรีบกินยายาเมตตาให้อภัยคนที่เราโกรธพอให้อภัยได้ปั๊บก็หายโกรธการแผ่เมตตาจริงๆต้องแผ่ตอนที่เกิดเหตุการณ์ไม่ใช่ตอนที่เราไหว้พระสวดมวนตแล้วก็สวดแผ่เมตากันอันนั้นเป็นการเรียนเป็นการสอนวิธีให้เราแผ่เมตตาแต่ไม่ใช่เป็นการแผ่จริงๆการแผ่จริงๆต้องเกิดจากการกระทํา กับบุคคลนั้นบุคคลนี้เชนโกรธเขาก็ต้องให้อภัยเข า, เขาอยากให้เขามีความสุขก็ซื้อขนมมาให้เขากินอย่างนี้อย่งเรียกว่าแผ่เมตตาคำถามจากคุณเบญจวรรณลูกนอนเตียงแต่แม่ชอบนอนที่นอนเสริมวางกับพื้นคนเดียวเพราะ ลูกนั่งปฏิบัติก่อนนอนและหลังตื่นนอนได้สะดวกทำให้ลูกนอนสูงกว่าแม่ทั้งที่แม่เต็มใจและชอบอย่างนี้ลูกจะบาปและทำมาหา ก, กินไม่ขึ้นหรือไม่คะที่นอนสูงกว่าแม่ครับออไม่หรอกถ้าไม่มีเจตนาไม่มีความคิดที่จะยกตนสูงกว่าแม่ไรทำนองนั้นทาไปด้วยเหตุผลของแต่ละคนแม่ชอบนอนต่ำเราชอบนอนสูง ก, ก็เลือกนอนกันได้ อนี้ลูกก็ขึ้นไปนอนชั้นสองไม่ได้เลยถ้าแม่จะนอนชั้นล่างนี้ใช่ไหมมันไม่ได้อยู่ที่ความเคารพหรือไม่ความเคารพมันอยู่ที่เหตุการณ์เหตุผลที่ทําให้เราต้องทําแบบนั้นก็ไม่เสียหายอะไรถ้าใจเรายังเคารพรักแม่เหมือนเดิมยังกราบแม่ได้อยู่แต่ถ้ากราบไม่ได้แล้วนั้นน่าจะมีปัญหาแล้วถ้านอนสูงกว่าแม่แล้วพอเวลาจะกราบแม่กราบไม่ลงแนะ้วอย่างเงี้ยเถทว่ามีปัญหา แต่ยังการาบแม่ได้เหมือนเดิมก็เถอว่ายังรักกยังเคารพแม่เหมือนเดิมอยู่คำถามจากคุณนกคำถามแรกการวางที่ใจต้องทำอย่างไรครับที่จะวางทุกอย่างที่ใจครับคือต้องมีสติไงเราต้องมีสติไม่นงนั้นเราจะไปอยู่ที่อื่นถ้าเราไม่มีสติเราจะไปอยู่ที่คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ พอเรามีสติเราก็จะกลับมาที่ใจเราพอใจเราไม่สบายเราก็จะแก้ที่ใจเราแทนที่จะไปแก้ที่แฟนที่เขาไม่อนุโมทนาทำบุญกับเรา พราะเราไม่มีสติเราไปอยู่ที่แฟนถ้าเรามีสติเราอยู่ที่ใจเราพอแฟนก็าไม่อนุมโมทนาเพอใจเราเริ่มไม่สบายเราก็หยุดมันได้แก้ที่ใจปัญหาอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่คนอื่นคนอื่นเป็นเพียงแต่จุดชนวนเท่านั้นเองเป็น แต่ตัวปัญหาอยู่ที่ใจเราถ้าไม่มีสติมันก็ไปอยู่ที่คนอื่นเราจะไปพยายามแก้ที่คนอื่นแก้เท่าไหร่ก็ไม่จบแก้คนนี้ได้เดี๋ยวก็ไปเจ อ, เอคนอื่นอ่มันก็ต้องคอยแก้ไปอยู่เรื่อยๆถ้าแก้ที่ใจเราเสร็จแล้วจะมีกี่คนมาพูดอะไรมันก็ไม่มากระทบใจเรากระทบใจเราเราก็แก้ได้เพราะเราแก้ที่ใจไม่แก้คนอื่นก็แก้ไม่ได้อยากจะให้ก็ยินดีกับเราเขาก็ไม่ยินดี เห็นต้องมีสติแล้วเราจะกลับมาอยู่ที่ใจส่วนใหญ่เราจะไปที่อื่นกันไปที่รูปเสียงกลิ่นรสไปที่คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราถึงต้องใช้พุโทโธดึงกลับมาพอพุโทโธพุโทโธมันก็จะกลับมาที่ใจแล้วต่อไปเวลาใจเป็นอะไรขึ้นมาก็จะรู้ว่าเกิดที่ใจดับที่ใจแก้ที่ใจไม่ต้องไปแก้ที่คนอื่นให้เสียเวลา คำถามที่สองถ้าเราคิดว่าโคโรนาไวรัสติดเชื้อที่ร่างกายเท่านั้นไม่ได้มีผลต่อจิตใจของเราเลยแค่นี้จิตใจเราก็ไม่ทุกข์เพราะคิดว่าร่างกายนี้วันหนึ่งก็ต้องตายถ้าเราไม่ยึดติดในร่างกายนี้จิตเราจะสุขใช่ไหมครับ และเวลาที่ร่างกายเจ็บป่วยเราแค่หายามาช่วยร่างกายให้มันหายจากการเจ็บป่วยเท่านั้นถูกต้องไหมครับก็ลองทำดูสิถูกต้องแล้วแหละแต่จะทาได้หรือไม่ได้นั่นก็จะอยู่ตรงนั้นถ้าทำได้ก็สบายไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของทางร่างกายร่างกายก็ดูแลไปตามอัตภาพรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปตามตามเรื่องของมัน <c oughs> คำถามจากคุณแมมขณะที่เราอาบน้ำแปรงฟันนอกจากเราบริกรรมพุทธโธแล้วหากเราสอนใจตัวเราเองว่าร่างกายนี้ไม่สวยงามมีแต่ความสกปรก จึงต้องทําความสะอาดอยู่อย่างสม่ําเสมอการพิจารณาแบบนี้บ่อยๆจะทําให้เกิดปัญญาเห็นความจริงของร่างกายไหมครับก็เห็นส่วนหนึ่งเห็นส่วนที่สกปรกแต่ยังไม่เห็นแบบกว้างขวางต้องเอาร่างกายเราไปเปรียบเทียบกับร่างกายของคนที่เรารักด้วยเพื่อเราจะได้เห็นว่าร่างกายของคนที่เรารักก็สกปรกเหมือนกับร่างกายของเราต่อไปเราจะได้ลดความรักในร่างกายของคนอื่นลงได้ เหมือ น, นเราจะรักจะหึงจะหวงแต่ถ้าพอเราเริ่มเห็นความโสโครกความไม่สวยงามของร่างกายของคนที่เรารักแล้วต่อไปเราก็จะลดความรักความหึงความหวงได้ต่อไปอาจจะไม่รักเลยก็ได้จะ <c oughs> ได้อยู่คนเดียวได้ไงอันนี้เหมาะกับผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่อยากจะปฏิบัติต้องอยู่คนเดียวแต่ถ้ายังมีครอบครัวมีอะไรอยู่ก็อย่าเพิ่งไปพิจารณามากเกินไปเดี๋ยวต้องอย่าล้างกัน คำถามจะคุณรุ่งรุดีครับปฏิบัติถือศีลแปดที่บ้านทำได้หรือไม่ครับและถ้าหากทำได้ต้องทำอย่างไรครับศีลมันอยู่ที่ใจอยู่ที่กายวาจาใจมันไม่ได้อยู่ที่บ้านที่วัดเนี่ยอยู่ที่สติมีสติหรือไม่มีสติเราก็คอยดูว่าเรากำลังทำผิดศีลหรือไม่นั้นเองอยู่ที่ไหนก็มีสติก็คอยดูมันศีลฉะนั้นศีลมันไม่ได้อยู่ที่วัดอยู่ที่บ้าน แต่สถานที่มันจะทำให้รักษาง่ายยากต่างกันอยู่ที่วัดมันไม่ค่อยมีเหตุมาทำให้เราอยากจะไปทำผิดศีลแต่อยู่ที่บ้านเดี๋ยวมีเหตุเนี่ยถือศีลแปดเดี๋ยวตกเย็นเห็นคนในบ้านกินข้าวกันเดี๋ยวก็หิวขึ้นมาเห็นเขาเปิดทีวีก็อยากจะดูเขาไงถ้ารักษาศีลแปดที่บ้านนี้มันจะยากกว่ารักษาศีลแปดที่วัดเพราะที่วัดไม่มีใครกินข้าวเย็น เย็นใกล้เข้าโบสไปสวดมนต์ไหว้พระกันไม่มีทีวีดูไม่มีหนังดูไม่มีเพลงฟังเออมันก็เลยทำให้รักษาศีลง่ายกว่ากันแต่จะรักษาจริงๆมันต้องรักษาด้วยสติถ้ามีสติแล้วสามารถรักษาได้ทุกแห่งทุกคนคนอื่นจะกินข้าวกับเรื่องของเขาเรามีสติก็พุโทโธเราไปเวลาเราอยากจะไปกินข้าวกับเขาเราก็พุโทโธพุโทโธไป เดี๋ยวพอใจเรานิ่งเราก็ความอยากไปพุทธอยากไปกินก็หายไปเห็นไหถ้าจะรักษาศีลจริงๆนี่ต้องรักษาด้วยสติถึงจะได้ผลแต่ถ้ายังไม่มีสติพอถ้าจะรักษาศีลก็ต้องเลือกที่ที่ไหนยากง่ายกว่ากันถ้าอยู่คนเดียวที่ไม่มีใครมาล่อใจเราก็จะง่ายกว่าถ้าอยู่หลายคนเดี๋ยวคนนั้นทำนู่นทำนี่เราก็เห็นเขาทาแล้วก็อยากจะทาตามเขาขึ้นมา ก็จะทําให้ศีลนอาขาดได้คําถามจากคุณแอนนาเอลวกหอยแครงเองถือเป็นการฆ่าสัตว์ไหมเจ้าคะในความคิดไม่ได้นึกว่าเป็นการฆ่าสัตว์เลยเจ้าค่ะก็ลองถามหอยแครงมันดูนันเป็นอยครับนั่นน่ะสิถ้าไมมถามมันดูว่าเป็นการฆ่าสัตว์หรือเปล่าถ้ามันยังตายยังไม่ตายนี่ก็ถือว่าฆ่ามัน่ะออ คำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามลูกฟังเทศฟังธรรมกับหลวงพ่อทางเฟสและถือศีลฝึกนั่งสมาธิที่บ้านและหยุดการติดต่อกับใครสามารถบอกใครต่อใครว่าลูกกำลังปฏิบัติธรรมถือศีลได้ไหมเจ้าคะเพราะยังไม่สามารถไปที่วัดได้เจ้าคะ ได้ก็เหวลาเราอาบน้ํามันยังบอกคนอื่นได้ว่าเรากําลังอาบน้ำํำเวลาเราปฏิบัติธรรม่ยบอกไม่ได้ถ้ามันเป็นความจริงเพียงแต่ว่าถ้าบอกแล้วเดี๋ยวมันหลังโดนเขาเจอเขาโดนเขารอเล่นอยู่เรื่อยๆก็อาจจะไปรยัอย่าไปบอกก็ดีกว่าเพราะคนปฏิบัติธรรมมักจะเจอมารเยอะพอรู้ว่าปฏิบัติธรรมนี้จะลอดจะยั่วเราแล้วกิน ดื่มเหล้าไหมไปเที่ยวไหมอย่างพวกอย่างนี้ขึ้นมาในบางทีถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปบอกเขาเดีวกว่าบอกไม่ว่างไปติดภาระอย่างอื่นแต่อย่าไบอกก็ว่าทําอะไรเดี๋ยวจะเป็นประเด็นให้เขามาแย่เราเขาเขารู้ว่าเราเพอปฏิบัติธรรมเดี๋ยวจะแหย่เราออดูว่าจะโกรธไม่โกรธนี้ เดี๋ยวพอโกรธก็เลยจะว่าเราเอ้ยปฏิบัติธรรมแล้วโกรธได้ยังไงวะใช่ไหม <c oughs> ก็ยังปฏิบัติไม่บรรลุนี่วะก <c oughs> ็ <c oughs> ยังโกรธได้ <c oughs> เอ้ยงถ้าไม่จําเป็นจะต้องบอกใครเรื่องปฏิบัติธรรมนี้อย่าไปบอกดีก๋ยวกาเพราะมันบางทีอาจทาําให้คนอื่นเขาอิจฉาเราก็ได้เพราะว่ามันปฏิบัติได้เราปฏิบัติไม่ได้เราต้องเราต้องเป็นมารไปแกล้งมันทนหน่อยนะ <c oughs> นี่ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องบอกคําถามจากผู้ไม่ผู้ไม่ประสงค์จะออกนามเห็นแม่ชีเอาหลานมาเลี้ยงที่วัดเพราะว่าพ่อของเด็กเสพยาเสพติดเจ้าค่ะอยากทราบว่าการเอาเด็กมาเลี้ยงถือว่าเป็นการปล่อยวางไหมเจ้าค่ะก็เลี้ยงแบบปล่อยวางก็ได้เลี้ยงแบบไม่ปล่อยวางก็ได้ถ้าเลี้ยงแบบมีความอยากมันก็ไม่ปล่อยวาง ถ้าเลี้ยงแบบตามมีตามเกิดก็ก็ปล่อยวางอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ตายอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการยึดติดไม่ปล่อยวางคำถามจะคุณปรีดี คณิกะสมาธิใช้ประโยชน์นํามาพิจารณาอนิจจ์ทุกขังอนัตตาของร่างกายตัวเองได้ไหมครับยังไม่ได้เนาะว่ามันเป็นเหมือนหนังตัวอย่างคณิกะสมาธินี่เป็นเหมือนได้ดูหนังตัวอย่างรับเดี่ยวเป็นมีหน้าที่เพื่อให้เราเกิดฉันทะวิริยะอยากที่จะปฏิบัติสมาธิให้เพิ่มมากขึ้น เหมือนกับเวลาเขาขายสินค้าใหม่ๆเขามักจะทำสินค้าตัวอย่างมาให้เราลองก่อนหลอดเล็กๆถ้าเป็นยาซีฟันนี่ก็จะเป็นหลอดเล็กๆให้ไปลองใช้ดูก่อนถ้าเป็นครีมทาหน้าก็เป็นหลอดเล็กๆให้ลองไปทาดูก่อนพอทาแล้วเห็นมีคุณค่ามีประโยชน์ได้ผลก็อยากจะสั่งหลอดใหญ่ต่อไปอั น, นิสกาสมาธิก็แบบนั้นเป็นความสงบแบบตัวอย่างแวบ็บเดียวชั่ว หูแลบเล่นชั่วฟ้าแลบแต่มันจะทำให้เกิดความรู้สึกมหัศจรรย์ใจขึ้นมาว่าเรามีสิ่งวิเศษอยู่ในตัวเราที่เราไม่รู้มาก่อนและทีนี้ก็อยากจะทำให้เราใช้เวลาเข้าหาสมาธิมากกว่าไปเข้าหาอย่างอื่น คำถามจะคุณเนยนาคุณปู่เริ่มเป็นอัลไซเมอร์จิตของท่านจะเป็นอัลไซเมอร์ด้วยไหมครับและมีวิธีช่วยรักษาจิตท่านได้อย่างไรบ้างครับ อ, อ๋อไม่เป็นหรอกจิตนี้ไม่เกี่ยวกับร่างกายออจิตนี้ ต้องมีสติถึงจะไม่หลงไม่ลืมถ้าขาดสติมันลืมเวลาทำอะไรไม่มีสติมันไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรพอทำเสร็จแล้วมันก็ไม่รู้ว่าทำเสร็จแล้วหรือยังแต่ถ้ามีสตินี่มันจะรู้ว่าทำอะไรมันไม่หลงไม่ลืมคุณบาอาจารย์เก้าสิบอายุเก้าสิบกว่าร้อยปีท่านยังยังไม่หลงไม่ลืม เพราะท่านมีสติท่านฝึกสติแต่ผู้ดูชนนี้จะไม่ค่อยชอบฝึกสติกันพอแกยิ่งขี้เกียจใหญ่ยิ่งปล่อยใจให้ไหลไปตามความสบายมันก็เลยไม่มีสติก็เลยหลงหลงลืมลืมไปหมดเนี่ย คำถามจะผู้ฝากถามทะเลาะกับน้องสาวมานานแม่ขอร้องให้ดีกันเราบอกแม่ว่าไม่ได้โกรธแล้วแต่ไม่อยากเจอกันไม่โกรธให้อภัยแต่ไม่อยากเจอเจ้าคะ่ะแต่แม่บอกว่างั้นก็ยังโกรธน้องอยู่ถ้าไม่โกรธก็จำเจอกันได้ จะได้พิสูจน์ว่าเราพูดจริงเนอะพูดแต่ปากแต่ใจเป็นอย่างอย่าหนึ่งถ้าไม่โกรธจริงก็ไปทักทายก็ได้เป็นไงน้องสบายดีเรือพี่คิดถึงน้องเกินอแค่นี้เราทําได้มไหมก็เห็นยากเย็นตรงไหนเห็นไหมแต่มันต้องออกมาจากใจนี่แสดงว่ายัางยังถึงมันจะไม่โกรธก็อาจจะว่ายังไม่รักก็ได้ยังไม่รัก คือไม่โกรธไม่ไปคิดจะไปด่าเขาว่าเขาหรืออะไรเขาแต่ยังไม่ถึงกับขั้นรักเขาก็ได้อันนี้ก็ยังจะถือว่าไม่โกรธก็ได้เพราะเราถ้าเราเฉยเฉยเราไม่ไปคิดร้ายกับเขาไม่ไปทไําร้ายกับเ ข, กเขาก็ถือว่าเราไม่โกรธเขาแล้วแต่เวลาเจอหน้าเขานี่เรายัางต้เราต้องไปสืบว่ามันทับได้หรือเปล่าพอเจอหน้าเขาขึ้นมาความโกรธเก่ามาันอาจจะย้อนกลับมาก็ได้ งั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราไม่โกรธจริงหรือไม่ก็ต้องไปเจอกันเจอกันแล้วดูสิว่าเราทำใจเฉยๆเหมือนกับตอนที่เราไม่เราไม่เจอเขาได้หรือไม่คำถามจากคุณนัทพี่สาวมีอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วเจ้าค่ะชอบฝันถึงพ่อแม่ญาติญาติที่ล่วงลับไปแล้วทําให้เขาคิดไปว่าเขาต้องจากโลกนี้ตามไปตามความเชื่อของโบราณที่ ครับที่ว่าไว้เรียนถามพระอาจารย์ว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมครับไม่จริงอย่างนี้ฝันเป็นเศรษฐีก็ต้องเป็นเศรษฐีขึ้นมาฝันว่าถูกหวยนี่มันก็ต้องถูกหวยขึ้นมาไมันเป็นความเชื่อนั่นเองไม่เป็นคาวมนคามจริงไม่ลองคิดมุมกลับบา้างเดี๋ถ้าฝันเป็นความจริงขึ้นนี้ขอฝันให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านหน่อย <laughs> วะวันนี้เตยขึ้นมาจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนฝันให้เป็นผ้าละหันก็ได้เอมาเตืยขึ้นมาโอ้ได้บรรลุเป็นผ้าละหันเลยโอ้ก็ดีเลย ใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้หรอกความฝันก็คือความคิดนี่เองไม่ใช่เป็นความจริงคำ ถ, ถามจากคุณชรินทิพย์ถ้าหนูเริ่มเบื่องานเบื่อผู้คนอยากจะไปปลีกวิเวกภาวนาถ้าเราจะทิ้งบ้านงานไปจะเป็นบาปไหมเจ้าคะไม่เห็นบาปตรงไหนเราไม่ได้ไปลักขโมยอะไรของใครจากใคร แต่ว่าจะไปได้จริงหรือไม่นเท่านั้นเองเวลาคิดก็คิดได้พอจะไปจริงๆนี่เริ่มสองจิตสองใจขึ้นมาแล้วน้องทําดูซิมันไม่ง่ายหรอกพอจะเริ่มทำจริงจริงเริ่มผ่วงคนนั้นเริ่มผ่วงคนนี้แล้วเริ่มเสียดายสิ่งนั้นเริ่มเสียดายสิ่งนี้นะไอความเบื่อหน่ายเมื่อก่อนหายไปหมดเปลี่ยนใจไม่ไปดีกว่า คำถามจากคุณเม เ, เป็นคนคิดมากฟุ้งซ่านชอบคิดเรื่องในอดีตจะแก้ไขให้ดีขึ้นได้อย่างไรครับสวดบนใบภในใจอิติปิโสไปร้อยจบนะพอมันเริ่มคิดมากกับอิติปิโสภะปวารังสัมมาสัมพุทธโธไปสวดได้หลายๆจบจนกว่ามันจะเลิกคิดถ้ายังคิดอยู่ก็สวดไปพอหยุดสวดแล้วมันยังคิดก็สวดต่อไปเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเลิกคิดเอง คำถามจากคุณกระรยาทำอย่างไรถึงจะระงับความกลัวในจิตใจได้ครับความกลัวก็เกิดจากความไม่รู้ความจริงนั่นเองว่าความจริงก็คือร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่เที่ยงมันต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดามันก็เหมือนร่างกายของคนอื่นทำไมเวลาร่างกายของคนอื่นเขาแก่เจ็บตายเราไม่รู้สึกกลัวลเพราะเรารู้ว่าเขาไม่ใช่เป็นเรา ฉันในร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เป็นเราถ้าเราสามารถที่จะทำความเข้าใจสอนใจให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่เป็นเราเราก็จะหายกลัวจะทำได้หรือเปล่าวิธีจะทมก็ต้องแยกมันด้วยสมาธิก่อนต้องนั่งสมาธิทาใจให้สงบแล้วใจกับร่างกายก็จะแยกออกจากกันแล้วเราก็จะได้เชื่อว่าเ อ, อสิ่งที่พระเจ้าสอนนี่เป็นจริง ว่าร่างกายกับเราเป็นคนลรคนเราเป็นใจร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายพอเราได้สมาธิแล้วทีนี้เราก็จะมาสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายได้เราก็จะหายกลัวคำถามจากออบอกว่าผมเป็นพระนวะกะ เนื่องจากการปฏิบัติสติในกรรมฐานมรณานุสติแต่เวลาศึกษาปริยัติธรรมการพิจารณาไม่สามารถทําได้ควรทําเช่นไรครับทําไมทําไม่ได้นะก็มีทุกเวลามีลมหายใจเข้าออกก็จะเลยมรณานุสติได้หายใจเข้าถ้าไม่หายใจออกก็ตายก็คิดท่านี้เองหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายมันพิจารณาได้ทุกเวลาทําไมเราไม่พิจารณากันเองนะ เรกเรามาบอกพิจารณาไม่ได้การพิจารณาก็คือความคิดเนี่ยเวลาคิดหาเงินหาทองท้ามันคิดกันได้เวลาคิดหานุ่นหานี่คิดกันได้พอให้คิดถึงความตายคิดไม่ออกมันก็เป็นแค่ความคิดเท่านั้นเอง คำถามจากคุณฟาร์มเราควรต้องไปเรียนการทําวิปัสสนาก่อนไหมครับจะได้ทําได้ถูกต้องครับ อ, อ๋อต้องเรียนก่อนถ้าไม่เรียนก็ทําไม่ได้เหมือนกับกีฬาหรือกับทําอะไรต่างๆนี้ถ้าไม่มีครูสอนก็ทําแบบผิดๆถูกๆ ก, ก็จะเป็นแบบมวยวัดไปแต่ถ้ามีครูสอนมันก็จะได้เป็นมวยแบบอมีชั้นมีเชิงมีอะไรรูปแบบ เพรทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีครูเพราะว่าเราไม่รู้วิธีทําที่ถูกต้องเราก็ต้องอาศัยคนที่รู้มาเป็นครูสอนเราไม่เช่นั้นเราก็จะทําทแบบผิดผิดถูกถูกผลก็ไม่ดีเท่าที่ควรเนั้นต้องศึกษาทุกอย่างไม่ว่าจะทางโลกทางธรรมต้องศึกษาก่อนแล้วถึงค่อยนำเอาไปปฏิบัติได้หมดแล้วใช่ไหมโอเคก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา